ตรงนี้บ้างเหมือนรูปโคด่างไม่สะอาดเหม็นพึงรังเกียจสหายทั้งสี่คนก็ได้อสุภาษสัญญาเหมือนกันเมื่อกลับเข้าไปในบ้านได้บอกเรื่องนั้นแก่สหายทั้งห้าสิบคนสหายเหล่านั้นก็ได้อสุภาษสัญญายะสากุลบุตรเมื่อกลับไปบ้านได้บอกแก่มารดาบิดาและภริยาท่านเหล่านั้นก็ได้อสุภาษสัญญาเพราะเหตุที่มีบรุรพภูปนิสัย ทางอสุภาสัญญานี่แลเรือนซึ่งเกลื่อนกลนด้วยสตรีงามบำรุงบำเรอให้เพลิดเพลินอยู่จึงปรากฏแก่ยักษกุลบุตรประดุดป่าช้าและด้วยอุปนิสัยนั้นเหมือนกันเขาจึงได้บรรลุคุณวิเศษคืออรหัตผลพวกเขาได้รับผลที่ตนตราถนาแล้วดูก่อนท่านผู้สแสวงสัจจะถ้าไม่มีอุปนิสัยทางนี้แล้วความรู้สึกอย่างนั้นจะเกิดแก่ยัก์กุลบุตรไม่ได้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 หญิงเหล่านั้นปรากฏแก่ยสะกระดุดซากศพที่เขาทิ้งกลื่นกล่นอยู่ในป่าช้าเกิดความสลดจิตเบื่อหน่ายออกอุทานด้วยความสลดใจว่าที่นี่ขัดข้องหนอที่นี่หุ่นวายหนอจึงลงมาสวมรองเท้าออกจากเรือนไปออกประตูเมืองเดินไปทางที่จะไปป่าอิสิปตนะเวลานั้นใกล้รุ่งแล้วพระบรมศาสดาสเสด็จจงครมอยู่ในที่โล่งแจ้ง ทรงได้ยินเสียงของยะสักุรบุตรว่าที่นี่ขัดข้องหนอที่นี่วุ่นวายหนอจึงตรัสเรียกและว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องยะสักุลบุตรได้ฟังดังนั้นจึงถอดรองเท้าเข้าไปเฝ้าพระศาสดาทรงแสดงทำให้ฟังตรัสถึงเรื่องทานศีล ส, สวรรค์โทษของกามและความสุขความโปร่งใจของผู้ออกจากกามแล้วโดยใจความย่อว่า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 บิดายึดมั่นด้วยอุปทานแล้วควรหรือท่ยาสะจะกลับไปบริโภคกรรมคุณอีกเหมือนแต่ก่อนบิดาของพระยาสะทูลตอบว่าไม่อย่างนั้นเลยพระเจ้าข่าเป็นลาบแล้วความเป็นมนุษย์อันพ่อยาสะได้ดีแล้ว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 พระพัทรวัคคีผู้สําเร็จมรรคผลที่ไร้ฝ่ายและท่านฉดินมีอรุเวลกกสปะเป็นต้นก็ล้วนแต่ได้บําเพ็ญบารมีมาเพื่ออรหัตผลเท่านั้นหาได้ปรารถนาตําแหน่งใดๆไม่อันหนึ่งชดินสามพี่น้องมีอรุเวลกกสปะเป็นต้นมีชีวิตเกี่ยวพันกับพระเจ้าพิมพิสารเพียงในชาตินี้ก็หาไม่แม้ในชาติก่อนๆ ก, ก, ก็เคยเกี่ยวพันกันมาแล้วได้ทําบุญกุศลร่วมกันมา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 รุ่งเช้าจึงเสด็จไปเฝ้าพระาศาสดาทูล ถ, ถามเรื่องนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่ามหาบพิษนับถอยหลังจากกลับนี้ไป92กัปในาศาสนาแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าพุตธะผู้เปรตเหล่านั้นเป็นญาติของพระองค์กินอาหารที่เขาเตรียมไว้ถวายสงเกิดในเปรตโลกแล้วหวังได้รับส่วนบุญจากพระองค์มาตลอดการช้านานพระองค์ผู้เจเริญ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 ญาติทั้งหลายผู้ไปบังเกิดเป็นเปรตมาประชุมกันอนุโมทนาด้วยความเคารพตั้งจิตให้ญาติผููทําบุญไปให้ได้มีอายุยืนนานถ้ายกผููทําบุญก็ไม่ไร้ผลในเปรตโลกนั้นไม่มีกสิกรรมโคลกขกรรมก็ไม่มีไม่มีพาณิช ก, กิจหรือการซื้อขายใดๆเปรตทั้งหลายเลี้ยงชีพด้วยฐานที่มนุษย์ทําบุญอุทิศไปให้เท่านั้น